ธรรมบทแปลเรื่องที่153ภาคที่6เรื่องปุโรหิตชื่ออักขิทัตพระศาสดาออกจากพราวิหารเชตวันประทับนั่งบนกองทรายทรงบรารอบปุโรหิตของพระเจ้าโกศลชื่ออักขิทัตแล้วตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่า พหุงเวสารนังยันติปพะตานิวนานิอารามรุกขเจตยานิมนุษาพยาตจิตาเนตังโขสารนังเกมังเนตังสารนมุตตะมังเนตังสารนามาคัมมะสัพพะลุกขาบะมุตติโยจะ พุทธันจะธรรมันจะสังขันจะสารังคโตจตาริอริยสัจจานิสัมมปัญญาะปัสสติทุกขังทุกขะสมุปปาทางทุกขะสะจะอติกะมังอริยันจัดถังกิกังมงักังทุกขูปะสมะขามินัง เอตังโขสารนังเกี่มังเอตังสารณมุตตะมัมงเอตังสารณมากรร ม, มะสัพพะลูกขาปัมมุจติมนุษย์ทั้งหลายเป็นันมากถูกความกลัวกุกขามาแล้วย่อมยึดถือเอาภูเขาบ้างป่าไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์บ้างสวนศักดิ์สิทธิ์บ้างรุกเจดีบ้างว่าเป็นที่พึ่งของตน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 ถูกต้องคือเห็นทุกเห็นเหตุเป็นเครื่องให้เกิดขึ้นของทุกเห็นความก้าวล่วงเสียได้ซึ่งทุกและเห็นมรคนั้นประกอบด้วยองแบบอันประเสริซึ่งเป็นเครื่องให้ถึงความเข้าไปสงบระงับแห่งทุกนั่นแหละที่พึ่งอันกเกษมนั่นคือที่พึ่งอันสูงสุด ผู้ใดถือเอาที่พึ่งนั้นแล้วย่อมหลุดพ้นไปจากทุกข์ทั้งปวงได้แต่ดังได้สดับมาอักขิทัตนั้นเป็นปุโรหิตของพระเจ้ามหากศลครั้นเมื่อพระราชบิดาสวรรคตรแล้วพระราชาส่งพระนามว่าประเสนที่โกศลได้ทรงดำริว่าผู้นี้เป็นปุโรหิต คือที่ปรึกษาแห่งพระชนกของเราพระองค์จึงตั้งเขาไว้ในตำแหน่งนั้นนั่นแหละด้วยความเคารพในเวลาเขามาสู่ที่บ่มรุงของพระราชาก็ทรงทำการเสด็จลุกรับรับสั่งให้พระราชทานอาสนะเสมอกันด้วยพระราชดำรัสว่าอาชารย์เธอนั่งบนอาสนะนี้อักขิทัตนั้นคิดว่า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 ให้พระราชาพระราชานพระบรมราชาอนุ ญ, ญาตการบรนประชาแล้วให้คนตีกลองเที่ยวไปในปันตรกอนแล้วสละทรัพย์ของตนทั้งหมดในการให้ทานใหญ่ตลอดเจ็ดวันแล้วบวชเป็นนักบวชภายนอกศาสนาบุตรหมื่นหนึ่งก็ใสอักขิตานนั้นบวชตามแล้วอคีติตนั้น พร้อมด้วยนักบวชเหล่านั้นอยู่ในระหว่างแควนอังคะแควนมคตและแควนกุรุต่อกันให้อววาดนี้ว่าพ่อทั้งหลายบรรดาเธอทั้งหลายผู้ใดมีความคิดในทางกรมเป็นต้นเกิดขึ้นผู้นั้นจงขนหมอ้อทรายหม้อหนึ่งหนึ่งจากแม่น้ำมาเกลี่ยลงณนะที่นี้นักบวชเหล่านั้นรับคำว่า ดีละในเวลามีความคิดในทางการรมเป็นต้นเกิดขึ้นแล้วก็ทำอย่างนั้นโดยสมัยอื่นอีกได้มีกองทรายใหญ่แล้วนักราชชื่ออหิชั ต, ตะได้ครอบครองกองทรายใหญ่นั้นชาวอังคะมกตและชาวแควนกุรุนำเครื่องสกุระเป็นนั้นมาก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 ดังนี้แล้วกล่าวสอนแม้ซึ่งอันเตวาสิกของตนด้วยโอวาดนี้เหมือนกันตอนพระมหาโมคลานะไปทรมานอคิตัดฝายพระโพธิสัตว์เสด็จออกมหาพิเนสกรมทรงบรรลุสัมมาสัมโพธิแล้วในสมัยนั้นทรงอาศัยกรุงสาวัตถีประทับ อยู่ในพระเชตวันในเวลาจุนรุ่งชงตรวจดูสัตว์โลกรงเห็นอคิทัตรปรามพร้อมด้วยอันเตวาสิกเข้าไปภายในข่ายคือพระยานของโปร่งแล้วทรงทราบว่าจนเหล่านั้นแม้ทั้งหมดเป็นผู้ถึงปรามด้วยอุปนิสัยแห่งพระอารหัตในตอนเย็นตรัสกับพระหมหาโมกละนะ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 จะเป็นนั้นพึงคมขีได้ประเชาา้าข้าบุคคลนะแม้เราก็จะมาเธอจงล่วงหน้าไปก่อนพระเทระกำลังเดินไปเดียวปลางคิดว่าส่วนเหล่านั้นมีกำลังทั้งหมีมากถ้าเราจะพูดอะไรอะไรในที่ประชุมของชนทั้งปวงใช้ชนแม้ทั้งหมดพึงลุกขึ้นโดยความเป็นพว ก, พวก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 ของอากิทักล่าวว่าอากิทัดเขาได้ยินเสียงของพระเตระแล้วกล่าวว่านั่นเป็นใครประความเป็นผู้กระด้างพระมานะว่าในโลกนี้ใครๆชื่อว่าผู้สามารถเรียกเราโดยออกชื่อไม่มีใครนาเรียกเราโดยออกชื่อพระเตระข้าพระเจ้าเองพราหมณ์อากิทั ท่านพูดอะไรนะพระเทระขอท่านจงบอกสถานที่พักอยู่ในที่นี้แ ก, ก่ข้าพเจ้าสักคืนหนึ่งในวันนี้สถานที่พักอยู่ในที่นี้ไม่มีบรรณาศาลาหลังหนึ่งก็สำหรับคนหนึ่งเท่านั้นอากิทัตธรรมดาพวกมนุษย์ย่อมไปสู่สำนักของพวกมนุษย์พวกโคก็ไปสู่สำนักของพวกโคพวกแบปรปะชิต ก็ไปสู่สำนักของพวกบรรพชิตท่านอย่าทำอย่างนั้นขอจงให้ที่พักอยู่แก่ข้าพเจ้าก็ท่านเป็นบรรพชิตหรือเออข้าพเจ้าเป็นบรรพชิตก็ถ้าท่านเป็นบรรพชิตใช้สิ่งของคือสาหรกบริการแห่งบรรพชิตของท่านอยู่ที่ไหนพรามบริขารของข้าพเจ้ามีอยู่ก็ข้าพเจ้าคิดเห็นว่า ก็การถือบริการนั้นแยกต่างหากเที่ยวไปลําบากดังนี้แล้วจึงถือบริการนั้นไว้โดยภายในนั่นแลเที่ยวไปพรามนั้นโกรธพระเถระว่าท่านจะถือบริการนั้นเที่ยวไปหรือลำดับนั้นพระเถระจึงพูดกับเขาว่าอากิทัตจงหลีกไปท่านอย่ากโกรธข้าพเจ้าจงบอกสถานที่พัก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 จนกับนากราชพระเทระพินหน้าตรงกองทรายไปแล้วนากราชเห็นพระเทระนั้นมาจึงดําฤิว่าพระสมณะนี้มาข้างนี้เห็นจะไม่ทราบความที่เรามีอยู่เราจะบังหวนวันให้สมณะนั้นตายนากราชนั้นจึงบังหวนกั่นขึ้นแล้วพระเทระคิดว่า นาคราชนี้เห็นจะเข้าใจว่าตัวเองเท่านั้นอาจบังหวนควันได้พวกอื่นย่อมไม่อาจดังนี้แล้วพระเทระก็บังหวนควันแม้เองด้วยควันทั้งหลายพุ่งออกจากสริระแห่งนาคราชและพระเถระแม้ทั้งสองฝ่ายตั้งขึ้นจนถึงบรมโลกควันทั้งสองฝ่ายไม่เบียดเบียนพระเทระ เบียดเบียนแต่นากราชฝ่ายเดียวนาคราชไม่อาจทนกําลังแห่งกวนได้จึงให้ลุกโผล่เป็นไฟคือพ่นไฟฝ่ายพระเตระก็เข้าสมาบัติมีเตโชธาตเป็นอารมณ์แล้วให้ลุกโผลงคือพ่นไฟพร้อมกับนากราชนั้นเหมือนกันเปลวไฟพุ่งขึ้นไปจนถึงปรมโลกเปลวไฟแม้ทั้งสองฝ่าย ไม่เบียดเบียนพระเทระเบียดเบียนแต่นาคราชฝ่ายเดียวตอนนาคราชแพ้พระเทระลำดับนั้นสรีระทั้งสิ้นของนาคราชนั้นได้เป็นราวกับว่าถูกคบเลงทั้งหลายหล่นทั่วแล้วมูรือสีเหล่านั้นแลดูแล้วคิดว่านาคราชเผาสมณะสมณะคนดีหนอ ไม่เชื่อฟังคำของพวกเราจึงชิบหายแล้วพระเทระทรมานนางคราชแตาให้หมดประโยชน์แล้วจึงนั่งบนกองทรายนางคราชเอากหนดรวบกองทรายแผ่พังพานประมาณเท่าห้องโถงแห่งเรือนยอดกั้นอยู่แล้วเบื้องบนแห่งพระเทระมูรษีไปยังสํานัก ของพระเทระแต่เช้าตรู่โดยคิดว่าผู้เราจะรู้ความที่สมณะนั้นตายแล้วหรื อ, อยังไม่ตายมูรษีนั้นเห็นท่านนั่งอยู่บนยอดกองทรายแล้วประคองอัญชลีชมเชย อ, อยู่กล่าวว่าสมณะนาคราชไม่เบียดเบียนท่านหรอกหรือพระเทระก็ท่านทั้งหลายไม่เห็นหนาคราช แผ่พังพาดำรงอยู่เบื้องบนแห่งเราอย่างนั้นหรือฤาษีเหล่านั้นจึงพูดกันว่าน่าสะใจหนอท่านผู้เจริญอนุภาพแห่งสมณะที่เห็นปานนี้พระสมณะนี้ทรมานน่กกรด้าได้แล้วเขาเหล่านั้นจึงได้ยืนลอมพระเถระอยู่แล้วในขณะนั้นพระาศาสดาเสด็จมาแล้วพระเถระ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 พวกฤาษีชมเชยพระศาะ ส, สดาพระศาสดาประทับนั่งบนยอดกองสายแล้วมู่ฤาษีประกองอัญชลีชมเชยพระศาสดาว่าอนุภาพของสาวกย่างถึงเพียงนี้ส่วนอนุภาพของศาสดานี้จะเป็นเช่นไรพระศาสดาจึงตรัสเรียกอากิทัตมาแล้วถามว่าอากิทัต ท่านเมื่อให้โอวาทแก่สาวกและอุปทากทั้งหลายของท่านย่อมให้โอวาทว่าอย่างไรอากษษิตตข้าพระองค์ให้โอวาทแก่สาวกและอุปทากเหล่านั้นอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายจงถึงภูเขานั่นว่าเป็นที่พึ่งจงถึงป่าอารามจงถึงต้นไม้ว่าเป็นที่พึ่ ง, ง, ง, าา ง, ง, งโดยว่าบุคคลถึงวัตถุทั้งหลาย มีภูเขาเป็นต้นนั้นว่าเป็นที่พึ่งแล้วย่อมพ้นจากทุกทั้งปวงได้ตอนสารณะที่กเกษมและไม่กเกษมพระศาสดาตรัสว่าอักิทัดบุคคลถึงวัตถุทั้งหลายมีภูเขาเป็นต้นนั้นว่าเป็นที่พึ่งแล้วย่อมไม่พ้นจากทุกได้เลยส่วนบุคคลที่ถึงพระพุทธ พระธรรมพระสงค์ว่าเป็นที่พึ่งย่อมพ้นจากทุกข์ในวัตตะได้ทั้งสิน้นดังนี้แล้วได้ทรงพาสิทธิพระกถาเหล่านี้ว่าพระหุงเวสารนังยันติปัะพระตานิวนานิอารามารุกะเจตยานิมนุษย์สาพยะตจิตา เนตังโขสารนังเกมังเนตังสารณมุตตมังเนตังสารณะมาคมะสัพพทุกาปะมุตติโยจะพุทธันจะธัมมันจะสังขันจะสารนังกโตจะตาริอริยสัจจานิสำ ม, มัปปัญญายะปัสติทุกขัง ทุกขะสมุปปาทังทุกขะสะจะอติกมังอริยันจัดถังขิกังมักขังทุกขูปะสะมะขามิหนังเอตังโขสารนังเกมังเอตังสารนมุตตะมังเอตังสารณามากัมมะสะพระทุกขาปะมุจติแปลว่ามนุษย์ทั้งหลายเป็ น, นมาก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 ย่อมไม่หลุดพ้นไปจากทุกข์ทั้งปวงได้ส่วนผู้ใดที่ถึงประพุทธประธรรมประสง์เป็นที่พึ่งแล้วเห็นอริยสัจทั้งสี่ด้วยปัญญาอันถูกต้องคือเห็นทุกเห็นเหตุเป็นเครื่องให้เกิดขึ้นของทุกเห็นความก้าวล่วงเสียได้ซึ่งทุกและเห็นมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดอันประเสริฐ ซึ่งเป็นเครื่องให้ถึงความเข้าไปสงบระ ง, งับแห่งทุกข์นั่นแหละคือที่พึ่งอันกเกษมนั่นคือที่พึ่งอันสูงสุดผู้ใดที่เอาที่พึ่งนั้นแล้วย่อมหลุดพ้นไปจากทุกข์ทั้งปวงได้แท้ในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าผหุงได้แก่ผหูแปลว่ามากคำว่า ปัจาคตานี้แปลว่าภูเขาเป็นต้นความว่ามนุษย์เหล่านั้นเหล่านั้นอันภัยนั้นๆคุกขามแล้วอยากพ้นจากภายัยหรือปรารถนาลาบทั้งหลายมีการได้บุตรเป็นต้นย่อมถึงภูเขามีภูเขาอีสิกิลิเวปุละและเวพาระเป็นต้นป่าทั้งหลายมีป่ามหาวัน ปโกสิงสารวันเป็นต้นอารามทั้งหลายมีเวรุวันและชีวกรมพวันเป็นต้นและรุกเจดีทั้งหลายมีอุเทนเจดีและโคตมะเจดีเป็นต้นในที่นั้นๆว่าเป็นติบึงคําว่าเนตังสตนังคือสะนะนั่นไม่ความบา ก็สัตว์นะแม้ทั้งหมดนั่นไม่กเกษมไม่อุดมด้วยว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายผู้มีความเกิดเป็นต้นเป็นธรรมดาแม้ผู้หนึ่งอาศัยสรณน์นั่นย่อมไม่พ้นจากทุกข์้งปวงมีความเกิดเป็นต้นได้คําว่าโยจะคือส่วนบุคคลใดเป็นต้นนี้พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงแสดงสระณะอันไม่กเกษมไม่อุดมแล้วปรารบไว้เพื่อจะทรงแสดงสตระณะอันกเกษมอันอุดมเนื้อความแห่งคำว่าโยจะเป็นต้นนั้นดังต่อไปนี้ชวนบุคคลใดเป็นกฤาษสก็ตามเป็นบนรรพชิตก็ตามอาศัยกรรมฐานคือการตามประลึกถึงประพุทธประธรรมประสง เป็นต้นว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองคนั้นเป็นพระราหันต์ตะสมมาสัมพุทธเจ้าถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งด้วยสามารถแห่งความเป็นวัตถุอันประเสริฐการถึงสระ น, ะนั้นของบุคคลแม้นั้นยังกำเริบยังหวั่นไหวด้วยกิจทั้งหลาย มีการไหวอัญะเดรตีเป็นต้นแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อจะทรงแสดงความที่การถึงสัตตนั้นไม่หวั่นไหวจึงทรงประกาศสัตตนณะอันมาแล้วโดยมักนั่นแหลจึงตรัสว่ายอมเห็นอริยสัจสีด้วยปัญญาชอบด้วยว่าบุคคลใดถึงรัตนะทั้งหลายมีพุทธรัตนะ เป็นต้นนั่นว่าเป็นที่พึ่งด้วยสามารถแห่งการเห็นสันจาเหล่านั้นสารณะนั้นของบุคคล น, นั้นเกษมและอุดมบุคคล น, นั้นอาศัยสารณะนั้นย่อมพ้นจากทุกข์ในวัฏฏะแม้ทั้งสิ้นได้ประเพณนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเอตังโขสารหนังเกมัง สรณ น, นั่นแหลของบุคคล น, นั้นเกษมในการจบเทศนะหรือสีเหล่านั้นแม้ทั้งหมดบรรลุอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมพิทาทั้งหลายแล้วถาวายบังคมพระศาสดาทูลขอบร่นปะชาะแล้วพระศาสดาทรงเยยดประหัตออกจากกรีบจีวรแล้วตรัสว่าท่านทั้งหลายจงเป็นภิกษุมาเถิด จงประพฤติปรมจันตอนชาวเมืองเข้าใจว่าอาคีทั์ใหญ่กว่าพระสัสดาก็ในขณะนั้นเองฤาษีเหล่านั้นได้เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งบริการแปดดุจพระเทระมีพรรษาตั้งร้อยก็วันนั้นได้เป็นวันที่ชาวแคว้นอังคะแคว้นมัคตและแคว้นกุรุ แม้ทั้งปวงถือเครื่องสการะมาวนเหล่านั้นถือเครื่องสการะมาแล้วเห็นฤาษีเหล่านั้นแม้ทั้งหมดบวชแล้วคิดว่าอคิทัตพราหมณ์ของพวกเราเป็นใหญ่หรือพระสมณโคดมเป็นใหญ่น้อยแล้ด้สสำคัญว่าอคิทัตเป็นใหญ่กว่าแน่เพราะเหตุที่พระสมณโคดมมหา พระศาสดาทรงตรวจ ด, ดูอัตยาสัยของวนเหล่านั้นแล้วตรัสว่าอาคิทัตเธอจงตัดความสงสัยของบริษัทเหล่านี้พระอาคิทัตนั้นจึงกราบตูลว่าแม้ข้าพระองค์ก็หวังเหตุมีประมาณเพียงนั้นเหมือนกันพระชก้าดังนี้แล้วเขาจึงเหาะขึ้นไปสู่เวหาด้วยกำลังริด